การเพงกระแสธรรมะมาจากเป็นธรรมทานนี้เป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดมีประโยชน์มากที่สุดมีประโยชน์นี้มากยิ่งกว่าข้าวของเงินทองเพราะว่าข้าวของเงินทองนะอื้อปัจจัยสเช่นอาหารอาหารบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยกุฏิ จีวร อ, อันนี้เป็นประโยชน์กับทางร่างกายหนังสือธรรมะนี้เป็นประโยชน์กับทางจิตใจจิตใจนี้มีความสำคัญกว่าทางร่างกายเพราะร่างกายเป็นของชั่วคราวาให้มีอาหารกินไปก็ไปไม่ตลอดถึงเวลาก็ต้องตายแต่ถ้ามีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ ใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์จะมีแต่ความสุขไปตลอดใจนีไม่มีวันตายเหมือนร่างกายพระพุทธเจ้าทรงตรว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวดไม่มีอะไรที่จะมีคณประโยชน์ให้กับจิตใจนอกจากธรรมะางสอนของพระพุทธเจ้านอกนั้นเป็นโทษแก่จิตใจ พเพาะว่าจะทำให้จิตใจจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ธรรมะนี้จะทำให้จิตใจไม่ต้องมาเวียนวหายตายเกิดถ้าจิตใจมาติดกับร่างกายเดี๋ยวร่างกายตายไปจิตใจก็ต้องกลับมามีร่างกายใหม่แต่ถ้าจิตใจมีธรรมะจิตใจไม่ต้องมีร่างกายตอนนี้พวกเราต้องมีร่างกายกเพราะเราไม่มีธรรม เราต้องมีร่างกายเพราะอะไรเรายังอยากดูอ ย, กอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากดมกลิ่นอยากนิ่มรดอยากสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็เลยต้องมีร่างกายเพราะเวลาเราไม่มีสิ่งอันนี้มาให้เราเสกเราก็จะเป็นเหมือนคนติดยาเสกติดที่ไม่มีอะไรไม่มียาเสกติดให้เสง เวลาที่เราไม่ได้สังผัดกับรูปเสียงเกียตรติผลทุพภัณฑ์เราจะรู้สึกว้าเวเศร้าส้อยหงอยเหงาหมกมิตรลงพานใจเช่นให้ไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมคนเดียวไม่ให้มีอะไรนถ้าเราไม่มีธรรมะนี่เราจะอยู่ไม่ได้ใจเราจะหิวโหย จะอยากไปดูอยากจะไปฟังอยากไปดิ้นลดดมกลิ่นอยากจะไปพบเพื่อนฝูงอยากจะไปเที่ยวอยากจะมีความสนุกสนานเฮฮากันแต่ถ้าเรามีธรรมะที่พระเจ้าส่งสอนให้เราสร้างกันขึ้นมาคือสติสมาธิปัญญาเราจะมีความสงบแล้วก็มีความสุข โดยที่เราไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องมีลูปเสียงเข็นรดการที่เราจะมีธรรมะได้ก็ต้องมีหนังสือธรรมะหรือผู้แสดงธรรมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราอย่างเราที่จุดเริ่มต้นของเราก็จากการอ่านหนังสือธรรมะนี่เป็นหนังสือธรรมะที่เราเพิ่มแจกฟรี เป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ประเทศสิงคโงราเขามีเขาเรียก Society Buddhist Publication Society เป็นสมาคมาพิมพ์หนังสือทังมะแจกมีทั้งแจกฟรีแล้วก็มีทั้งจำหน่ายเล่มที่เราได้มาเป็นเล่มที่เขาแจากฟรีมีคนรู้จักจคุยกันครับเขา เขาก็เห็นว่ามีทัศ น, ศนคติไปทางธรรมะเขาก็เลยเอาหนังสือธรรมะมาให้อา่านโดยที่เราก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าเรามีทัศนคติไปในทางธรรมะเพราะเราก็ไม่เคยเข้าไมาไม่เคยเอ่านหนังสือธรรมะไม่เคยคิดจะบวชแต่มีความมีทัศนคติในในเชิงความต่างความเป็นจริของโลกของชีวิต ที่เห็นชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเสี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์เดี๋ยวดีเดลียวรา <Yeah. S 1> ก็คุยกันลักษณะนี้เขาก็เลยน้องต้องอ่านหนังสือธรรมะจะจะเข้าใจชีวิตตีขึ้นก็พอได้อ่านก็เลยหูตาสว่างขึ้นมาเสริมความเห็นที่เราให้เคยเห็น ให้มลึกซึ้งมากขึ้นวางขวางขึ้นให้รู้จักวิธีปฏิบัติกชีวิตที่เรายังไม่รู้วิธีปฏิบัติเรารู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนมีเกิดมีดับมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เรายังไม่สามารถที่จะอยู่เหนือความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ได้คือไม่รู้สึก อะไรกับมันยังทำยังทางใจไม่เป็นยังกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่แต่พอได้อ่านหนังสือทาแล้วก็ก็ได้เห็นว่ามีทางที่เราสามารถที่จะผ่านสิ่งวันนี้ไปได้อย่างไม่สะทกสถทานอย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่ทุกข์ เนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การหาหนังสือเล่มอื่นมาอ่านต่ อ, พอเพราะในหนังสือเขาเขาจะแนะนำหนังสือเล่มอื่นต่อว่าควรจะอ่านเล่ น, นี้ต่อเล่ม น, นั้นต่อก็เลยต้องเขียนหนังสือเขียนจดหมายไปขอบางเล่มก็ต้องซือ้อก็ซื้อมาเล่มที่ซื้อก็คือหนังสือคือคือหนังสือพระสูตรที่เขาท่ามาจากพระสูต สติปทานสูตรสติปทานสูตรนี้สอนวิธีนั่งสมาธิสอนวิธีเจริญสติสอนวิธีเจริญปัญญามีหมดอยู่ในสติปทานสทางประเทศศรีรังกาเนี้ก็ถือพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สาคัญเป็นประโยชน์มากที่สุดคนในประเทศศรีรังการนีก็จะเท่าพระสูตรนี้กัน ใครทำพระสวดนี้ได้ถือว่ า, าเก่งเพราะว่าเราพออา่านแล้วจะท่านอา่านแล้วจะเข้าใจทศเจ้าสอนให้นั่งสมาธิในสติปัฏฐานส่นนี้ก็มีอนาคตสติท่านสอนพระเป็นพระสวดที่สอนพระแต่ใครก็ไปปฏิบัติได้ถ้าถ้ามีเวลาปฏิบัติถ้าเข้าใจ ว่าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรก็เลยท่านตอนตอน้ตนก็สอนให้นั่งสมาธิอนาปนานสติไปนั่งอยู่ตามคนไมาอยู่ในที่สบงบสงบไม่มีอะไรมาลบกวนจิตใจไม่มีแสงสีเสียงต่างๆมันก็กระทบกระเทือนใจแล้วให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมหายใจลมจะสั้นลมจะยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมลมจะอยากลมจะละเอียดก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปทำอะไรกับลมไม่ต้องไปบังคับให้หายใจ ย, ยาวหายใจน่นเพื่ออันนี้มันจะทำให้จิตทำงานเจ็บจะไม่สมนะ จิตไม่ต้องการทํางานจิตต้องการอยู่เกียร์ว่างเกียร์ว่างของจิตก็คือให้รู้เฉยๆยไม่ต้องเข้าเกียร์เดินหน้าไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยหลงังเหมือนรถถ้าจะจอดรถนี่รถมันต้องเข้าเกียร์ว่างถ้ามันอยู่เกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลงังมันก็จะไม่จอดมันก็จะไม่หยุดนู่ใจของเราปกตินี่มันไม่ไม่เคยเข้าเกียร์ว่างกันมันชอบไปเดินหน้าถอยหลงัง เห็นอะไรชอบมันก็วิ่งเข้าหาเห็นอะไรไม่ชอบมันก็วิ่งหนีเข้าเกียร์ถอยหลังความจริงมันควรจะอยู่เฉยๆอยู่เกียร์ว่าสบายที่สุดวิ่งเข้าหาก็เหนื่อยวิ่งหนีก็เหนื่อยถ้าอยู่เฉยๆแล้วสบายแต่ไม่รู้กันไม่รู้ความสบายของใจว่าอยู่ที่เกียร์ว่าไม่ใช่อยู่ที่เกียร์เดินหน้าหรืออยู่เกียร์ ที่เกียถอยหลังเยอเดินหน้าก็คือภาะวะตัณหาการมตัหาเนี่พอเห็นรูเสียงเก็บก็เข้าหาภาวะตัณหาราบยศจะรัเสินก็เข้าหาวิภาะวะตัณ ห, ห, หาก็ความแก่ความเจ็บความทุกข์ยากลำบากยากจนก็หนีถอยกันไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ทำให้ใจเหนื่อยใจต้องทำงานใจเครียด แต่ถ้าเข้าเกว่างได้ในสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องวิ่งค่ะไม่ต้องเข้าหาอะไรไม่ต้องเหนือะไรเพราะไม่มีอะไรมาทำร้ายใจเราได้มาทำลายใจเราได้เพราะใจเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้สิ่งที่จะถูกทำลายก็คือร่างกายนี่ถ้าร่างกายเจอสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายมันก็ถูกทำลายไป ใจไม่ได้ถูกทำลายกับร่างกาย mm hmm. แต่ใจไม่รู้ตาหมหลน้าไม่ใจคิดว่าใจเป็นร่างกายพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตกใจกลัวไปร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแสดงละครอยู่ในจอนี้ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนดูแต่คนดูกลับไปเตืมเ ต, ต้นตกใจกับคนแสดงใช่ไหม เวลาดูหนังดูนน่คะครกับคนแสดงเป็นอะไรไปโอ้โหคนดูหวาดเสียวนะบงทีดูหนังผีนี่ช่วงหน้ากลัวนี่ต้องหลับตาเลยทั้งทั้งที่คนดูไม่ได้โดนอะไรไม่ได้เป็นอะไรสนอนแต่กลับกลัวแทนคนแสดงคนแสดงเขาไม่กลัวเขารู้ว่าเป็นการแสดงเนี่ยร่างกายเขาก็ไม่กลัวอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร เราไม่มีการเราคือใครจะมาตัดหัวเขาใครจะมาเที่ยงแทงเขาใครจะมาทําอะไรกับร่างกายเขาร่างกายเขาไม่รู้เรื่องเห็นไหมเวลาไปผ่าศพเนี่ยร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องาการจะพายงไงเวลาไปผ่าตัดไปหาหมอหมอผ่าตัดหัวใจผ่าตัดไตตับอะไรร่างกายมันไม่รู้เรื่องแต่คนรู้เรื่องนี้ต้องต้องเกรดที่ไม่ให้มันรู้ต้องดมยาสลบถ้ามันรู้ว่าเดี๋ยวมันดิ้น เดินแล้วเดี๋ยวผ่าไม่ได้อย่างเวลาดมยาสลบนี้เพื่อทำให้ใจไม่มารับรู้กับเหตุการณ์ของร่างกายตัดตัดรูตัวที่จะส่งข้อมูลไปให้ใจคือความรับรู้ทางร่างกายที่เรียกว่าปวดทับพะสำหรับปวดทับพะกับร่างกายเวลาเอามีดมาผ่านี่มันจะมีปรดทับพะ ถ้าใจรับรู้อยู่มันก็จะรู้ว่าเจ็บแต่ถ้าเขาฉีดยาชาหรือทําอะไรไม่ให้ข้อมูลของความเจ็บนี้ส่งไปถึงใจได้ใจก็ไม่รู้ก็ไม่เดือดร้อนเวลาเราไปถอนฟันหมอฉีดยาชาให้เวลาหมอถอนไม่รู้ว่าถอนเสียงนะแต่ถ้าไม่ฉีดยาชาเราให้หมอถอนเลยใจจะดิ้นไม่ที่ดิ้นนี่ไม่ใช่ร่างกายดิ้น ใจนิ้มเพราะใจมันไม่ชอบความเจ็บมันเข้าเกลียวถอยหลังกันเองเพราะใจความเจ็บเนี่ยมันจะเข้าเกลียวถอยหลังแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิทําใจให้เป็นเข้าเกียวว่างได้ไม่ต้องฉีดยาชาก็ได้นทนได้พระ้านพระพุทะเจ้าท่านถึงไม่เดือดร้อนเวลาท่านเจ็บค่าได้กป่วยเวลาที่ท่านตายเพราะใจของท่านเข้าเกลียวว่างตลอดเวลา ท่านรับรู้ความเียบของร่างกายแต่ท่านไม่วิ่งหนีท่านไม่กลัวความทุกข์เกิดจากความกลัวเกิดจากความวิ่งหนีแต่ท่านอยู่เฉยๆแล้วจะไม่ทุกข์ท่านเข้าเกี่วว่างแล้วจะไม่ทุกข์อั น, นี้มันเป็นผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติในสติปัฏฐานสูตรท่านจะสอนให้เราตอนต้นเจริญสติ ดูการดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอยากปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นก็คือการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้าเราอยู่กับร่างกายได้เวลานั่งเราก็จะอยู่กับลมได้ใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดนั่งเหลีวเดียวจิตก็รวมเข้าสู่ควาสมสงบเข้าเกียวว่างได้ พอรู้พอคนเกี่ยวว่างเจอแล้วต่อไปก็สบายเวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างก็ดึงใจให้อยู่ในเกี่ยวว่างให้เฉยเฉยไม่ให้ตอบโต้ไม่ให้มีปฏิกิริยากับสิ่งที่ใจมาพบเห็นเห็นเสียงได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็ให้เฉยไว้ใครก็ด่าก็เฉยไว้ใครก็ชมก็เฉยไว้ถ้าถ้าเคยเข้าเกี่ยวว่างเกินแล้วมันจะเข้าได้ มันจะบอกให้ใจเฉยๆไม่ต้องไปยินดียินร้ายยินดีก็เกิดความอยากอยากให้เขาชงต่อไปถ้าเขาไม่ชมก็เสียใจถ้ายินร้ายเขด่าก็เสียใจยินร้ายก็ทุกข์อกอยากจะให้เขาหยุดเขาไม่หยุดก็ทุกข์อีกแต่ถ้าอยู่เกียรว่างเฉยๆก็ปล่อยเขาเขาอยากจะด่าก็ปล่อยก็ด่าไปเดี๋ยวเมื่อไหร่เขาก็เขาก็หยุดเองอะ ่มืนเสียงเนี่ยเสียงสะบัดมันร้องอยเนี่ยเราไม่ต้องไปสั่งให้มันหยุดะเดี๋ยวมันร้องจนเหนื่อยมันก็หยุดลมันเองอนตอนนี้งร้องอยู่ไม่เสียงอะไรเนี่ลองเดา่ใช่หรอกั๊กเนี่ย การลอกนปงขการลอ ก, ออ ก, ออกตอนนี้มันกำลังจิตกันเนานี <c oughs> <c oughs> ่ะคือการสึกตอนต้นตรงมีสติเพื่อจะดึงใจให้เข้าเกียวว่างได้ถ้าไม่มีสติมันจะอยู่เข้าเกียเดินหน้าถ้ายหลังอยู่เลยเห็นอะไราชอบก็ใส่เกียร์เดินหน้าเลย ไ่นอะไรไม่ชอบก็เข้าเกียร์ถอยหลังเลยเวลาเข้าเกียร์มันก็จะเหนือ่อยเพราะจิตต้องทำงานเข้าหาสิ่งที่ชอบก็เหนื่อยวิ่งหนีสิ่งที่ไม่ชอบก็เหนื่อยแต่ถ้าเข้าเกียร์ว่าจะไม่เหนื่อยจะเฉยเฉยวันนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปิ่งทุกอย่างเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเติมตายรัก อันนี้จางก็คือมันเกิดดอบเกิดดับขึ้นขึ้ น, นลงๆงอันนั้นต่างก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ตอนนี้เสียงเราไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สมมติว่ามันกํนาลังด่าเราเนี่เราก็จะห้ามมันไม่ได้ถ้าเราเข้าใจภาษาว่ามันดา่าเราเนี่ยเราจะทำไงให้มันด่าเราเนี่ยแต่พอดีเราไม่เข้าใจความหมายเราก็เลยฟังได้ ถ้าเกิดเป็นเสียงด่าเราจะทนได้มันก็เสียงกันเดียวกันเองแต่เพ่ยงแต่ตอนนี้เราไม่เข้าใจความหมายของเสียงที่เขาพูดทั้งหเสียงด่าก็แบบนี้นะเสียงด่าเสียงชมมันก็เสียงเหมืนกันทําไมมันทําให้เราวิ่งได้เสียงชมก็ทําให้เราวิ่งเข้าเสียงด่าก็ทําให้เราวิ่งหงายเข้าใจเราไม่มีเกลียวว่า ถ้าเรามีสติเราจะดึงใจให้อยู่ในเกีย ว, ว่างได้นั้นการเจริญสติจึงเป็นงานขั้ต้องงานงา น, นลําดับแรกของผู้ปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในเกลียวว่างได้อยู่ในสมาที่อยู่ในอุเบกขาได้จึงต้องฝึกเจริญสติตั้งแต่เริ่ตาขึ้นมาเลย วเวลาสามารถฝึกได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปอยู่วัดไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่ใจอยู่ที่ร่างกายให้สติให้ใจอยู่คู่กับร่างกายร่างกายทำอะไรใจก็ทำกับร่างกายไปอย่าไปทำอย่างอื่นเราชอบทำสองสามอย่างพร้อมกันบางทีเรากินข้าวเราก็นึกถึงงานที่เราจะไปทาต่ออันนี้แสดงว่าใจไม่ได้อยู่กับร่างกายไม่มีสติแล้ว ไม่อยู่ในปัจจุบันนล้ไปอนาคตแล้วเนื <Yeah. S 1> ้อคิดถึงอดีตที่ผ่านมาตัดมันไปแล้วอดีตมันไม่มีอนาคตไม่มีเราส่งไปหามันเองะเราคิดขึ้นมาเองพอเราหยุดคิดเราจะรู้ว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันความจริงอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วใจเราจะนิ่ง ใเราจะอยู่ในเกียรว่างได้แล้วเกียรว่างนี่แหละที่ให้ความสุข ก, กับใจอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้รับจากรูปเสียงเกียร์รถต่างๆความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าลาบยศสรรเสริญถ้าใครได้เกียร์ว่างได้ความสุขนี้แล้วก็ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงเกียรรถอะไรต่างๆ แต่เกี่ยวว่านี้มันจะอยู่ได้อย่างถาวรต้องอยู่ด้วยปัญญาถ้าอยู่ด้วยสตินี่เวลาสติเพอมันก็ไม่วา่างถ้าอยากจะให้มันว่างอย่างถาวรนี้ต้องใช้ปัญญาให้ปัญญาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นภาพเสียงรูปเสียงกล่นรบเหล่านี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเรารู้ว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่ไปอยากได้มัน พอถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเวลามันเสียมันก็ทําให้หลอกถูกเวลาได้เงินทองมาดีใจเวลาสูญเสียเงินทองไปก็เสียใจได้ตําแหน่งได้ยศมาก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจได้คําัสรรเสริญก็ดีใจพอได้รับคําตําหนิตีเตียงก็เสียใจ อันนี้เราต้องรูว่ามันไม่ถาวรมันไม่แน่นอนมีเกิดมีดบับมีขึ้นมีลงมีเจรนนิมีเสือ่อมแล้วเราก็ห้ า, ม ม, นน า, หา ม, ม, มมันไม่ได้อนัตตาแปลว่าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงเมื่อกี้หลดนมาตุม้มเนี่ยมันจะมามันก็มามาแล้วมันก็หายไปเนี่ยให้ดูอย่างนี้ยดี๋ว่ามันไม่เที่ยวเกิดแล้วก็ดับ อย่าไปอยากให้มันไม่หล่นลงมามันจะหล่นลงมาก็หล่นกัหล่นรับนั่นแหละมันก็หายไปละทุกอย่างเขาด่าเราปั๊มันก็หายไปล ะ, าาลปปละถ้าเราไม่เอามาคิดต่อมันหายไปนานและ้ะแต่เราชอบเอามาคิดต่อเขาดา่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังคิดอยู่นะเขาด่าหนึงเดียวแต่เราเอามาดา่าซ้ําอีกไปรู้กินกินละกินหนึ่ ง, งว่าเราชอบเอาเข้าเกียร์ใจไปดึงเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามา ถ้าเกียอยู่ถ้าใจอยู่ในเกียวว่างเนี่ยมันจะเฉยมันไม่ตึงแต่อะไรมาป๊อกมันก็ผ่านไปแล้วใครด่าก็ผ่านด่าป๊อกนึงก็ผ่านไปแล้วใครชมป๊อกนึนก็ผ่านไปแล้วถ้ามีสติมีเกียวว่างอยู่นี่มันจะไม่มีเวลาที่จะมีประดีใจเสียใจใช้ได้สองไปเพราะมันเร็วมากเสียงดา่าด่าป๊อกก็ผ่านไปแล้วเสียงชมชมป๊อกก็ผ่านไป นี่คือประโยชน์ของการเจริญสติจเจริญสติจะดึงใจให้เข้าเกียร์ว่างแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญารักษาให้มันอยู่ในเกียร์ว่างเพราะสิ่งที่จะดึงใจออกจากเกียร์ ว, ว่างก็คือความอยากต่างๆนี่พอเห็นอะไรชอบก็อยากได้มันก็จะออกจากเกียร์ ว, ว่างไปมันจะเข้าเกียร์เดินหน้าแล้ถ้าไปได้ยินเสียงด่า ก, ก็จะเข้าเกียร์ทอยหลังก็ต้องใช้ปัญญามาบอกให้อย่ายไปเหนื่อยไปกับฟ้า อยู่ที่เกียร์ว่างนี่แหละเกียร์ว่างนี่ปลอดภัยที่สุดสบายที่สุดใครจะดา่ายังไงก็ด่าไปใครจะชมยังไงก็ชมไปไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจเพราะมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเดียวมันก็ผ่านไปล้ถ้าเราไปมีปฏิกิริยามันก็จะทำให้ยืดยาวใครก็ดา่าเรานี่เราก็ถอยหนีแล้วยังมานั่งคิดอยู่ด้วยทำไมต้องดา่าเราทำไมต้องว่าเรา กดเขาเองเขาดา่าเราตั้งแต่เช้าตอนเย็นนี่ยังโมโหก็อยู่อันนี้เป็นเหตุที่จากการที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสอนใจให้ปล่อยวาง ร, าบรับยศจะเสญปล่อยวางรูปเสียงเกิดรดต่างๆปล่อยวางร่างกายที่ต้องแก่ปล่อยวางเวทนาคือความเจ็บของร่างกาย ปล่อยวางทุกอย่างที่เราไปคิดว่าให้ความสุขกับเราร่างกายของแฟนเราก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าเขาก็ไม่เที่ยงเขาก็ต้องแก่เจ็บตายถ้าเรามีอารมณ์รักเขาเราก็ต้องมองร่างกายเขา อ, อีกมุมนึงมองในมุมที่ไม่น่ารักมองในส่วนที่ไม่สวยงามไม่น่าดูที่ตอนนี้มันถูก หนังหุ้มห่อปิดเอาไว้ถ้าเรามองท่านเข้าไปในหนังได้เนีน่ยเราจะเห็นส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายเห็นโครงกระดูกเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆอันนี้ต้องใช้การจินตนาการคิดนึกไปก่อนไปดูภาพจริงไปดูภาพถ่ายที่เขาถ่ายมาก็ได้ยิงภาพว่านักศึกษาแพทย์ที่เขา เรียนอวัยวะต่างๆเรียนกายวิภาคแล้วก็มาดูนึกถึงภาพแบลนี้เวลาเกิดความรักความค่้ขึ้นมาก็นึกถึงภาพเหล่านี้มันก็จะทำให้ความรักความค่านี้มันหายไปหยุดไปแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีครอบครัวอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่มีภาระไม่มีอะไรต้องมาห่วง ไม่ต้องมีอะไรต้องมากังวลด้วยไม่มีอะไรต้องมาดูแลรักษาไม่มีอะไรต้องมาเสียใจตอนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันทัดภาจากกันอยู่ดีอันนี้ต้องปล่อยหมดเราติดอะไรเรายึดติดอะไรเราพึ่งพาอะไรอยู่ตอนนี้เราต้องปล่อยให้หมดปล่อยได้ด้วยปัญญาถ้านอะไรทุกอย่า ง, งาว่ามันไม่เที่ยงนึ่ง เราควบคุมบังคับไม่ได้เราจะสั่งให้เขาเป็นของเราให้เหมือนเดิมตลอดเวลาไม่ได้ทุก อ, อย่างจะต้องมีวันเสื่อมไปมีวันหมดไปถ้าเราเห็นด่านนี้เราก็จะไม่ไม่พึ่งอะไรเพราะพึ่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะพึ่งได้สิ่งที่เราพึ่งได้แน่นอนก็คือความว่างเกียรว่างของใจนี่ให้ใจอยู่ในเกียรว่างอยู่ในความสุบ อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงุที่มันเลิศเป็นวิเศษกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้ถ้าศึกษาพระสูตรเนี่ยสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะจะสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยว่าเราก็ใช้ ส, สติปัฏฐานสูตรเนี่ยก่อนหยุดปีหนึ่งนี่เราก็ใช้หนังสือเรื่องนี้ยเป็นคู่หรือสองสารปฏิบัติ อันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีจนันกปฏิบัติที่ไหนบ้างเราไม่เคยไปศึกษาไปค้นคว้าเพราะว่าพอดีพอได้หนังสือมามันก็เลยปฏิบัติเองได้อยู่ที่บ้านทําเองได้หรือว่าต้องอยู่คนเดียวหรือว่าต้องไม่มีงานทําต้องมีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่หรือว่าต้องถือสิงแปะของวันนี้มันจะ มันอ่านและซื้อธรรมะแล้วมันก็จะเข้าใจมันก็จะไม่ต้องไปอยู่สำนักที่ไห น, นก็เลยไม่ได้รู้ว่าในประเทศไทยมีสำนักปฏิบัติที่ไหนบ้างจนถึงเวลาจะบวชนนะั่นแหะถึงจะเริ่มสนใจศึกษาหาวัดหรือว่ามีวัดไหนบ้างที่เป็นวัดปฏิบัติเพราะวัดที่เห็นเป็นวัดบ้านวัดเมืองไม่มีการปฏิบัติกัน มีแต่การเรียนพระคัมภีร์แล้วก็มีการทําพิธีกรรมต่างๆซึ่งถ้าบวชมาทำพิธีกรรมไม่รู้ว่าบวชทําไมบวชเนี่นต้องการบวชเพื่อมาปฏิบัติหลังจากสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็ไม่มีพิธีกรรมแล้วก็เรียนเขาก็ไม่ได้เรียนเพื่อมาสอบเอาเอาปริญญาเอาปริญญาบัตรกัน เขาสอบเขาเรียนเพื่อเอาไปปฏิบัติกัฑ์เรียนแล้วก็ไม่ต้องมาม า, มาสอบข้อเขียนสอบเพื่อที่จะผ่านจะได้ใบประกาศว่าได้ผ่านนักธรรมตีโทเอกเขาฟังแล้วก็เขาเอาไปปฏิบัติแล้วก็สอบด้วยการปฏิบัติถ้าปล่อยวางได้ก็ถือว่าผ่านปล่อยวางลาบยศรัศน์แสได้ก็ถือว่าผ่าน ไหว่วางยูดเสียงเกล็ดลดได้ก็ถือว่าผ่านไหวยวางร่างกายของคนอื่นได้ก็ถือว่าผ่านไหว่วางร่างกายของตนเองได้ก็ผ่านไหว่วางความเก็บได้ก็ผ่านมันผ่านด้วยการด้วยการปฏิบัติไม่ต้องมีใครมาให้ข้อสอบเราเป็นคนทำข้อสอบเองแล้วก็ตรวจข้อสอบเองแล้วก็โกงไม่ได้เพราะมันรู้อยู่ภายในใจ ว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านถ้ามันผ่านก็คือมันไม่ทุกข์มันไม่แยแสกับสิ่งต่างๆถ้ามันยังแยแสยังทุกข์อยู่กับสิ่งต่างๆอยู่มันแสดงว่ามันไม่ผ่า น, นวิธีสอบแบบนี้ไม่มีการคุมไม่มีการข้อสอบก็รั่วก็ไม่เป็นไรเพราะเขาให้ร่วอยู่แล้วให้รู้ร่วงหน้าแล้ ว, ลวข้อสอบที่เราต้องทามีอะไรบ้างาอยู่ที่ว่าเราจะทาได้หรือไม่ได้ ปล่อยวางราบยศสารเส ร, ริญได้หรือยังอันนี้ข้อสอบข้อแรกวนี่ยปล่อยนอกร่อนปล่อยวางราบยศเลือกใช้เงินทองได้ยอยังเลือกหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุข ต, ต่างๆได้หรือยังเลือกหาตําแหน่งหายศยศอะไรได้หรือยังเลือกหาความสรรเสวนเยืนยอญญได้หรือยังไม่หวั่นไหวกับคำก้าหานินทาเตตำเนตเตียง ใคยจะดา่าใคยจะว่าไงก็ไม่เหลือร้อนเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายาะไรอย่า ง, งเลกไปเที่ยวบาเที่ยวผับไปเที่ยวแหล่งบนันเทิงต่างๆไปรงภาพไปร์มหรศลศพงละครเลิกสิ่งเหล่านี้ได้หรือยังนี่เป็นข้อสอบถ้าเลิกได้ก็สแสดงว่าผ่านไประระดับนึ่นะ ระดับภายนอกร่างกายมาปล่อยวางภายนอกได้ก็มาปล่อยวางระดับร่างกายร่างกายเราปล่อยได้ไหมไม่ทุกข์กับมันไหมยังทุกข์กับมันอยู่หรือเปล่ปาเวลามันไม่สบายเราทุกข์หรืเปล่าตอไม่สบายก็เป็นอย่างหนึ่งความทุกข์ใจก็เป็นอีกอย่างคนละคนละเรื่องกันนะตอนนี้ร่างกายสบายเราก็เลยไม่ทุกข์ใจ พอร่างกายไม่สบายเราก็ทุกข์ตามไปด้วยใจเราก็ทุกข์ไปด้วยแต่ความจริงถ้าเราสอบผ่านเวลาร่างกายเจ็บใจเราจะไม่ทุกข์กับมันแต่เราจะเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนีย่เรียกว่าร่างกายเวลาร่างกายจะตายทุกข์กับมันหรือเปล่าเวลาร่างกายแก่ทุกข์กับมันหรือเปล่า ถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าผ่านไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายมันก็ตัดไปเป็นข้อข้อผ่านร่างกายของเราก็ไปไประติดที่ร่างกายของแฟนอีกก็ต้องไปปล่อยร่างกายของแฟนเพราะยังไปรักแฟนอยู่รักแฟนรักร่างกายของคนอื่นอยู่ก็ต้อง ดูความไม่สวยงามที่เรารักเขาเพากเราเห็นว่าเขาสวยงามแต่เราก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขาก็จะไม่รักหอถ้าแฟนตายวนันนี้ยังจะเก็บเขาไว้ในบ้านอยู่เปล่าตอนนี้ยกให้สับ ป, ปะเลออะไรใชหให้ฟรีๆเลยแต่ถ้ายังไม่ตายนี่ต่อให้มาขอให้เงินเป็นล้านก็ไม่ให้ใช่ไหม นึกถึงความตายของแฟนด้นึกถึงร่างกายของแฟนกลายเป็นซากศพบ้ามันก็จะทาให้คลายความรักความใคร่ในร่างกายของแฟนได้แล้วต่อไปก็อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเหว่ที่ว่าเว่ยเพราะว่าอยากจะอยู่กับเขาทำให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่เวลาที่ไม่ได้อยู่กับเขา พอเราตอบความอยากที่จะอยู่กับเขาได้ความรู้สึกว่าเวก็จะไม่มีเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติถ้าไม่มีหนังสือธรรมะพวกเราจะไม่มีวันรู้ถ้าไม่มีคนสอนหนังสือธรรมะนี้ก็เอามาจากการจาวลึกบันทึกคําสอนต่างๆ ต, ต, ตั้งแต่ของพระพุทธเจ้าลงมา และพระอริยะสองสาวกทั้งหลายก็เป็นคำสอนแนวเดียวกันทั้งอย่างเหมือนกันแต่ว่ามีประสบการณ์ต่างกันมีเทคนิคต่างกันก็เอามาเล่เามาแจกกันคนฟังก็คนศึกษาก็ต้องรู้จักพิจารณาท้ายควรไม่ใช่เอามาทั้งรุน่นเอามาทดลองดูว่าแบบไหนเหมาะกับเราแบบไหนไม่เหมาะกับเราไม่จำเป็นจะต้องเอามาทั้งหมด เอามาเพื่อให้มันทำใจให้เข้าเกว่างได้เราต้องดูผลที่เราต้องการคือแล้วการให้ใจว่างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาวิธีไหนที่ทําให้เราปล่อยวางได้ว่างได้เราก็เอาวิธีนั้นบางคนก็เอาพุโทโธบางคนก็เข้ า, าดูลมดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้เป็นการสร้างสติขึ้นมา อีกท่วิธีสร้างสตินี้ท่านก็แสดงไว้วิธีถึง40วิธีที่เรียกว่ากรรมาฐาน40กรรมาฐาน40นี้จะเป็นวิธีเจริญสติเช่น เ, เราเรลือกถึงพุทธโธล้วก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเราเลือกถึงธรรมโมก็เรียกว่าธรรมานุสติเราเลือกถึงสังโฆก็เรียกว่าสังขานุสติ ถ้าเราเลืกถึงความตายก็เร name, ียกว่ามรณานุสติถ้าเราเลือกถึงลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนสติอานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกอานาปนะสติก็คือเราเลืกถึงการเข้าออกของลมหายใจการยักตาสติก็ดูร่างกายเราดูร่างกายนั่งกายกำลัทงทำกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินไม่ใช่เดินไปแต่ใจไปอยู่ที่อื่น ใจไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็เดินไปสะดุดแล่วเดินไปอกลมเพรา ะ, ะไม่มีสติอยู่กับการเดินแต่ให้มีสติต้งไปอยู่ที่มันน่ากลัวเช่นอยู่ในปา่าเดินตามทางในป่านี้มันจะใจไม่ลอยเพราะมันจะต้องคอยดูทางเดินอยู่ตลอดเวลาว่ามีงูมีอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ในบ้านในเมืองที่ปลอดภัยมันก็เดินใจลอยยิ่งไปศูนย์การค้าวนี่ลอยอย่าใหี้ เห็นนูน่นเห็นนี่ลอยไปหมดเห็นในนูน่นเห็นกระเปา๋าเห็นรองเทาง้าลอยไปเห็นขนมนมเนยเห็นอะไรลอยไปหมดเลยไม่ได้อยู่กับการเดินเลยนั่นก็เลยถูกกิเลสากไปลากไปให้ไปโลภไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเราต้องให้ทําให้ต้องไปดินนน้นรนหางเงหาเงินหางทองมาตอบสนองความอยากต่างๆ อะไรไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสติมานั่งสมาทิมาทำใจให้สงบมาเจริญปัญญาสอนใจให้ฉลาดเพื่อรักษาใจาให้อยู่ในเกว่าก น, นี่แหละคือเรื่องประโยชน์ของธรรมะของพระสัจ้าถ้าไม่มีธรรมะของพระสัจ้าพวกเรานี้จะไม่มีวันที่จะรู้เรื่องราวเห่นี้ได้เลยพวกเราก็จะใจลอยไปกับ รล่ามลสนเสริญรอยไปกับลูกเสียงเกลิ่นลอยไปกับคนนั้นคนนี้ไม่ค่อยมีกจิตไม่ค่อยมีสติสตางอยู่กับเหนื่อยกับตัวใจคอยอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวอยู่ลูกเดี๋ยวอยู่กับสานีเดี๋ยวอยู่กับันรยาเดี๋ยวอยู่กับงานมันมีแต่เรื่องวุ่นวายใช่ไหมเรื่องต่างๆอย่นี้มันทําให้เราสุขที่ไหนมันสุขเดี๋ยวเดียวแต่มันทุกข์ซะมากกว่า เด่วคนนั้นเป็นนั่นไปคนนี้เป็นนี่ไปก็วุ่นวายใจกันขึ้นมาแต่ถ้ามีธรรมะมันจะปล่อยวางได้เพราะว่าวุ่นวายไปมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ต้องเป็นของเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะเป็นอะไรเราไปห้ามเขาได้ไหนเขาจะแก่ก็จะเจ็บเขาจะตายเรากปอยู่ได้ไหนแต่เราไม่มีปัญญาคิดกันก็เราก็เลยวุ่นวายไปกับเขากันวุ่นวายเป็นคเรื่องที่มันต้องเป็น แต่ถ้ามีธรรมะน่าจะไม่วุ่นวายใจจะเข้าเกี่ยวว่างตลอดเวลาจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงปล่อยวางทุกอย่างให้เป็นไปรู้ว่าเป็นหนังเป็นละครเราเป็นคนดูใจเป็นคนดูก็ดูไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดีอกดีใจเสียอกเสียใจไปกับสิ่งที่เราดูขณะ ด, ดูหนังยังตื่นเต้นไปกับหนังเลยในชะ่ ดีใจเสียใจนับตาไหลเลกับหนังไลยเวลาดูแล้วแล้ง mm. นัน่น ต, ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อย mm. ใจไม่มีสติถ้าดูด้วยสติแล้วมันจะไม่สนุกเพราะมันจะไม่มีอารมณ์ mm. <laughs> มันจะรู้ว่าเป็นการเล่นกันเป็นการหลอกกัน mm. <laughs> ไม่ได้เป็นความจริง mm. <laughs> แต่เราไปปล่อยให้ใจลอยไปคิดว่าเป็นความจริงกันน้อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นกับคนเราคนที่เรารู้จักสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นเหมือนหนังดีๆนี่มันเป็นของหลอกมันเป็นอะไรเดี้มันก็จบพอร่างกายที่ตายไปเราก็ไม่ไเห็ น, หนอะไรแล้วเราก็ต้องออกจากโรงหนังแล้วแต่เราไม่พอไปเข้าโรงใหม่ต่อไปไลร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปดูหนังโรงใหม่ต่อ แล้วก็ไปวุ่นวายไปดีอกดีใจเสียอกเสียใจตื่นเต้นตกใจไปกับหนังดวงใหม่ละครดวงใหม่แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญามีสมาธินี่เราจะให้ใจอยู่เกี่ยวว่างเราจะสอนให้ใจหรือว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนละครเดี๋ยวมันก็จบทุกอย่างไม่มีใครอยู่ไปตลอดไม่มีอะไรอยู่ไปตลอด สิ่งท่างอย่างต้องมีวันจบมีวันหมดทั้งนี้เอยากไปยุ่งกับเขาดีกว่าเราอยู่เฉยๆดีกว่าสัตว์แต่ว่ารู้อยู่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแค่นี้ก็จบสบายไปตลอดเนี่ยใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่ตรงนี้อยู่โ ต, ตเบคขาเนี่ยอยู่ตรงที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง นี่แหลคือประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่านหนังสือธรรมะเนื่องจากการได้ฟินได้ฟังธรรมอย่างนี้นอกจากหนังสือแล้วยังมีซีดีให้ฟังมี YouTube ให้ดูมี Facebook ให้ติดตามมีอะไระมีอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะเราเราอยู่ในยุคที่จะรเราสามารถเอาความเจริญเห น, นี้มาทำให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเอามาใช้กับธรรมะ เอามาเป็นสื่อของธรรมะแต่ส่วนใหญ่มักจะเอาไปเป็นสื่อของกิเลสซมากกว่าเอาไปสร้างความวุ่นวายเอาไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้กระทำตัวเองมากกว่าแทนที่จะเอามาเป็นสื่อของธรรมกันเอาไปเป็นสื่อของกิเลสกันทําทให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นโลกเราจะวุ่นวายไปกับสื่อเนี้ย ตัวนี้มันเร็วมากเนะอะไรปักนี่ไปทั่วไลยหมเลยอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างทามกับโลกหรือธรรมกับกิเลสเนะี่ยธรรมนี่จะทำให้ใจเราเย็นสบายปลอดภยัยกิเลสนี่จะทำให้ใจเราร้อนวุ่นวายทุกขทรมานถ้ามีธรรมเราก็จะท่ากิเลสได้ ถ้าไม่มีธรรมกิเลมันก็จะครองโลกครองใจเราเหยียดย่ำจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับพวกเราดังนั้นการที่เราเอาหนังสือธรรมะมาพิมพ์แจกเนี่ยมันจะช่วยให้คนที่ไม่รู้เรื่องของธรรมะได้มีโอกาสได้รู้แล้วก็สามารถที่จ ะ, ะทำให้เขาสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจได้ทำให้เขานี่ หลุดพ้นจากความทุกได้ให้อย่างอื่นนี้ไม่ทำให้ทำให้ใจหลุดพ้นไม่ได้ให้อาหารก็ทําให้ร่างกายหลุดพ้นจากความหิวให้เสื้อผ้าก็ทําให้ร่างกายปลอดภัยจากอากาศหนาวเย็นต่างๆให้ยารักษาโรคก็รักษาร่างกายให้ที่อยู่อาศัยก็ให้มีให้ร่างกายมีที่อยู่ เราให้ให้มากน้อยเพท่าไรในที่สุดร่างกายก็ต้องกายไปอย่างแต่ก็ต้องมีเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเอาไปใช้กับธรรมะแต่ถ้าไม่เอาไปใช้กับธรรมะก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้ร่างกายเรายังต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติในการนั่งสมาธิในการฟังเทศน์ฟังธรรมแต่สิงละสิ่ง ถึงที่เราต้องการเป็นหลักไม่ใช่สิ่งที่จะมาสนับสนุนนั่งกายถึงที่เราต้องการหลักก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นแสงสว่างที่จะพาให้จิตใจของเรานั้นรู้จักวิธีปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างใ ห, ให้ให้สบายไม่ให้ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ การให้ธรรมะก็เป็นการชนะการให้ธรรมะาการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งโปร่งดีกว่าให้อย่างอื่นเพราะอย่างอื่นก็เพียงแต่ทำให้น่าร่างกายสบายขึ้นเท่านี้แต่ให้ธรรมะแล้วจะทำให้ใจสบายทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเหยียว่าตายเกิดก็ขออนุโมทนาใน ที่ด้านพนิจเสียทวนกระแสทางนี้จำนวนสองพันกล่นก็ขอให้เป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับพวกเราทุกคนได้ไปสู่ความหยุดพ้นจากความทุกข์จากความเวียนว่ายตายเกิดกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติป่วยเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเวว a หะปุราปะเวปุเรนติสักขังเอวเมวะวิตโตทินาเปตาเนวุปปัสสะติอิชิตังปฏทิตังตุงหังคิดเเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทกัญญาระโสยะถามณิโชติ วาโสยะาสัพพิปโยวิวัจจันตุสัพพะโรโมียัสตุมาเตภาวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะมภิวาธนสีลิษะนิจจงุสธาปจายีโนจตารุธรรมวาทาติอายุวันุสุขัง อาลางาุคนที่มาฟังเทศน์ฟงธรรมานุเสธธรรมะที่นี่ตัดสินใจออกจากงานรีหลวดกันหลายคนนะมีอาจารย์เป็นยายก็มีเ <hm ป็นหมอทันิกรรมหัวใจก็มีมองเขาเห็นแสงสว่างเห็นทางแล้วเขาไหวกันนะ ที่เขาติดอยู่กับสิ่งต่างๆเพราะเขาไม่เห็นทางกันเขาคิดว่าเป็นทางแต่ความจริงมันเป็นบอ่อดักเป็ น, ปนลุมเหลุมดักมากกว่าเป็นลมติดลมกันติดลมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดกันพอได้อ่านหนังสือธรรมะได้ยินได้ทางธรรมของพระเจ้าเนี่ยเห็นทางเลยว่าลองไปทางนี้มรรคแปดศีนสมาธิปัญญา ทางสู่การอด้นทางสู่บ้านที่แท้จริงของเราบ้านเราคือพระ น, นิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระสาวทั้งหลายท่านได้อยู่กันถ้าเราเดินตามที่พระเจ้าเดินเราก็ไปถึงบ้านบ้านเดียวกันนัเป็นประโยชน์นะ ทีมันเป็นปัญหาเนี่ยก็คนจะบวชจะมาบวชที่นี่มาอยู่ที่นี่มันเต็มที่ไม่ไม่มีอยู่เราต้องบอกว่าก็ไปหาที่อื่นครูบาอาจารย์มีเยอะแยะที่อื่นถ้าอยากจะติดตามฟังเทศทางธรรมเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ไหนก็ทําได้ให้ไปหาที่ปฏิบัติหาที่สงบที่เราปฏิบัติได้ส่วนธรรมะนี่เดี๋ยวนี้เราสามารถอ่านหนังสือได้ ติดตามสดได้ตามสื่อต่างๆพอสำคัญพอปฏิบัติแล้วต้องหาที่ที่เหมาะต่อการปฏิบัติสมัยก่อนก็ต้องมีที่เหมาะแล้วก็มีครูอาจารย์แตสมัยนี้ครูอาจารย์ก็อาจจะใช้สื่อต่างๆแทนก็ได้ถ้าหาครูอาจารย์กับที่ที่เหมาะไม่ได้เพราะมันจะเต็งที่ไหนมีครูอาจารย์ดีที่นั่นคนจะไปกันเยอะ ที่มันก็จะเตแต่งเราก็อาจจะต้องตอบวิธีหาอาจารย์ด้วยการเอาหนังสือของท่านเอาซีดีของท่านหรือเอาการถ่ายทอดสดไว้เป็นอาจารย์แล้วเราก็ไปหาที่ที่ไม่มีคนไปกันนะครับที่เป็นว่าที่คนยังไม่รู้จักที่สงบเงียบมีวัดอยู่เยอะแยะที่เป็นวัดเงียบๆวัดปฏิบัติเนี่ยละ พระที่เป็นหัวหน้าท่านยังอาจจะมีภาษาน้อยยังไม่มีคนรู้จักกันก็เลยไม่มีใครไปไปอยู่ไปศึกษากับท่านเราก็ไปหาวัดอย่างนั้นอยู่สมัยที่เราไปวัดหลวงตาก็ยังไม่มีพระเยอะสมัยนั้นที่ไปท่านรับพระแค่สิบสองสิบสามูกสิบสี่ลท่านนั่นเองญาติโยมก็ไปทำยู่น้อย มันธรรมดานี่แทบจะไม่มีญาติโยมจากในเมืองไปเลยจะมีแต่เฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์มีญาติโยมที่อยู่ในเมืองขับรถไปกันเพราะมันห่างจากเมืองประมาณ1ิบกว่ากิโลถ้าคนไม่รู้จกักท่านก็จะไม่มีเขาก็จะไม่ได้ไปกันดังนั้นท่านก็ไม่ค่อยรับแขกรับคนใครมาท่านก็มักจะพูดดุดัดุ ด, ดัง เ, เขาฟังเพราะเขา ก, กลัว เขก็มาอยากก็มาเขาไม่ได้พูดเอาใจเลยไม่แต่จะด่าจะว่าอ่าเดี๋ยวจะดุอย่างเดีย ว, มยวไม่เคยชมเลยญาติโยมที่ชอบให้พระชมโอ้โยมดีอย่างนั้นโดนดีโอ้เดี๋ยวไปกันใหญ่เลยแต่ท้าไม่ต้องการให้ญาติโยมไปเยอะไปแล้วมันทําให้พระต้องเหนื่อยเรามาคอยอ ตอนละตอนเตรยมสถานที่เตรียมอะไรต้องเก็บต้องป่าต้องตืถ้าคนน้อยไปทำคนนยเดียวทำเสร็จก็ป่าปุ๊บปับเดียวก็เสร็จถ้าคนอยอะเนี้ยกว่าจะประเคนของเสร็จกว่าจ ะ, ะได้เสร็จทอนด้านไหนต้องให้หาจารย์ท่านสอนท่านพูดท่านเทศก็จะใช้เวลามากยิ่งไปวัดที่ไม่มีคนดีกว่าทำปุ๊บ ปฏิบาทกับมาฉันปับชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วแล้วก็ไปที่พักไปเดินโจกงมั่งสมาธิกรจายสติเรินปัญญาต่ออย่างต่อเนื่องถ้าถ้าปฏิบัติแล้วต้องทุ่มเทนะอย่าไปให้ภารกิจอย่างอื่นมามาดึงออกไปนะต้องทำใจให้เข้มแข็งไว้ แล้วจะมีงานนู้งานนี้มาดึงไปงานศพคนนั้นงานมันเกิดคนนี้ถ้าเราจะเอางานนี้เราต้องตัดงานทุกอย่างไปให้หมดใจต้องแข็งเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีงานร้อยแปดเข้ามาแล้วใจกิเลสมันก็ชอบหาช่องอยู่แล้วพอมีชอ่องนี้พอมีโพรงนี้กิเลสก็ล้องบอกให้ไปทางนี้เลยมันเบื่อมันปฏิบัติไปแล้วมันจะเบื่อมันจะเซง พอได้ขาวคนนั้นตายคนนี้ตายโอ้ดีใจ็น <c oughs> ใจได้เป็นงานสกครับเมื่อก่อนนี้ไม่อยากจะวงานงานศพแต่พอมาบวช น, นี่หมะคพอมีอะไรมีช่างมไปเลยอย่างถ้ า, ถ, าถ้าปฏิบัติแล้วต้องเอาจริงจังต่อการปฏิบัตนะิยกเว้นกรณีสำคัญเช <c oughs> ่น บ, บุคคลที่มีก็คุณกับเราอย่างยิ่งเท่านั้นเองบิดามารดา บางคนกูบาจางแต่ถ้ามันถึงทํำขั้นหนึ่งแม้จะบิดามารดานก็ไม่ต้องไปขนาดก็ยังเคารพอยู่ไม่ได้ไม่ได้ขาดความเคารพอะไรการไม่ได้ไปงานของท่านก็ไม่ได้มีความเคารพเพียงแต่ไในสายตาของทางโลกเขาคิดว่าเราไม่เคารพแต่ความจริงเราเคารพทำมากกว่าเคารพอะไร เพราะทำนี้มันสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่แม้แต่ถ้าเราสละชีวิตของเราเพื่อทําได้แล้วเราจะไปสละเรื่องอย่างอื่นที่มันมันไม่สําคัญเท่ากับชีวิตเราไม่ได้อย่างไรไถ้าหน้าปฏิบันิแทงข้า่สละชีวิตเพื่อทำแล้วนี่จะสละทุกอย่าจะสละสิ่งอย่างอื่นได้อย่างไม่ไม่รู้สึกกังวลเลยตามที่พระเจ้าบอกให้สละสรัพย์เพื่อรักษาวิญญาณ สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อให้รักษาธรรมธรรมนี่สําคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีธรรมก็จะไม่หลุดพ้นก็ยังต้องติดคุกติดตารางต่อไปเราอยากจะติดคุกแล้ว อ, อยากจะออกนอกคุกอเวลาติดคุกนี่เขาให้เลือกว่าจะอยู่ในคุกดีหรือว่าจะให้ออกอยู่นอกคุกนีถ้าอยู่นอกคุ ก, กต้องทำอย่างนี้ทํานี้ถ้าอยู่ในคุกก็ทํานี้นี้อ เราก็เหมือนกันถ้าเรายัางไปติดอยู่กับคน น, คนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เราก็ยังจะติดคุกอยู่แต่เราอยากจะออกจากคุกอยากตารางเราก็ต้องไม่ติดกับใครไม่ต้องติดกับอะไรทั้งนั้นเพราะการทดแทนบุตรคุณบุคคลที่เขามีพระคุณกับเราควจะทดแทนตอนที่เขายังไม่ตายจะดีกว่ามีธรรมะสอนเขาได้สอนเขาไป มีอุบายเดินให้เขาปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไปดีกว่าพอเวลาตายไปแล้วเปงานเขาเขาก็ไม่ได้นะตอนนี้ไปเพื่อตัวเราเองมากกว่าไปเพื่อไม่ให้คนเขาด่าเราว่าเรา <c oughs> ไม่รักพอ่อรักแม่ไม่กตัญญูอะไรก็ว่าไปพ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเราเราไปแล้อไม่ไปเขาไม่รู้แล้วคนตายยังไม่รู้เลยใช่ไหอ ถ้าอยากจะตอบแทนบมืงคุณให้เขารู้ว่าเรารักเขาเขาลกเขาต้องทำตอนที่เขายังอยู่เลยมีเวลาทำอะไรให้เขาได้ทำตอนนี้ไม่ใช่รอเป็นกานศบของเขาแสดงความเคารพเขาไม่รู้แล้วตอนนั้จะไปไม่ไปเขาไม่เขาไม่รู้ถ้าอยากจะแสดงความเคารพแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทำตามที่เขายังมีชีวิตอยู่ทำให้เขามีความสุขสุกกายสุขใจอยากไปทาให้เขาทุกข์ บางทีกลับไปทําให้เขาทุกข์ไปชอบไปบางคับให้เขาทําอย่างนู้นทําอย่างนี้กินยาให้นำนู่นทํานี่เขาไม่ไหวเลยให้ก็กินยาให้เขาออกกาลังกูงกําลังกายเขาอยากจะอยู่เฉยๆสบายอยากให้เขาอยู่นานๆต้องทำหนึ่งเลยไปทำดีไปให้เขามีความสุขเขาต่างมาทุกข์กับเราเราเรียววังดีแต่ประสงค์ร้ายวนาไงปล่อยให้พ่อแม่เขสบายก็ไม่อยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขา ถ้าก็อยากจะทำอะไรต า, ตามใจเขาดีกว่าให้เขามีความสุขดีกว่าให้เขามาทุกข์แล้วเวลาเลยกลายเป็นคนอันกตันอยู่ไปแทนที่จะกะตัญอยู่กับกลายเป็นคนทาให้พ่อแม่ทุกข์ไม่สบายใจเราต้องรับใช้พ่อแมอ่เอาใจพ่อแม่ถามเขาเขาต้องการอะไรตอนนี้อยากจะทำอะไรอยากจะนอนอ น, นอนอยากจะกินก็กิน เรามีหน้าที่จัดหามาทำไปอยากจะไปไหนเราพาไปเราจะเป็นเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของพ่อแม่เลยอยากไปสั่งไปสอนพ่อแม่เขาเลี้ยงเรามาเขาเขาเราเขาเขาไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เราไม่มีเขาเนะี่ยเราอยู่ไม่ได้เราต้องพึ่งเขาแน่ดีให้เขาเก่งกว่าเราเราไม่ต้องไปสอนพ่อแม่หรอก บางคนก็ห่วงเห็นพ่อแม่ไม่สนใจธรรมะก็อยากจะให้สนใจธรรมะแต่เขาไม่สนใจจะไปบังคับก็ได้ยังไงเห็นไหมใจเขาไม่ไม่ได้หันมาทางนี้ก็ต้องปล่อยเขาแล้ให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเขาชอบกันแล้วกันถ้ามันไม่ผิดมันไม่ไปการทำบาปมันไม่ไปทําการความเดือดร้อนเสียให้กับใครก็ปล่อยเขาทาไป น, นี้ก็พูดยาวไปเรื่อยไม่รู้พูดเรื่องอะไรเดีย๋ยว น, นี้มาทางที่บ้านมาน้างดีกว่าวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะ YouTube สิบห้าคนค่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยดังได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยินค่ะบอกเขาหรือเป่าว่าตัวตัวขยายเสียงมันเสียคมีอยู่ตัวเดียวตัวเฟซบุยังใช้ได้อยู่วันนี้ไม่มีใครส่งมาถามว่าส่งมารางงานว่ามันมีเสียงไยมนี่บอกแค่เสียงเบาค่ะ เอาวนนี้โหแต่หน่หมดเสียงไม่มีเสียงไม่มี <S <S เสียงหายไปไหนเข้ามากี่คนแล้วันนี้ f ฟซบุ o กสามกสิบค่ะตอนนี้เหล่สาม้อสิบสามถามว่ามาเลยมีอะไรจะถามคำถามจากอินบ็อกซ์ b o o k l i กไลฟ์นะคะจากคุณแมวทำบุญคือคัดลอกขัดลอกกิเลสคืออุทิศออกให้ทำบุญทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขผู้อื่น ทำทําละละฝึกฝึกจนโลกอนุสัยสันดานความตระหนี่ออกไปขัดถูไปจนใจขาวไม่ยึดไม่อยากปล่อยวางได้ลูกเข้าใจถูกไหมคะอถูกนะถูก้ะคำถามจากคุณรัชตะผมกำลังจะบวชวัดแถวบ้านถ้าหากบวชแล้วจะไปศึกษาธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดได้ไหมครับทำาะไรพวกเท่ผม่มีที่ ได้ศึกษาทาง Facebook นี่แหละเนื้อคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณนารยาลองนั่งสมาธิโดยใช้วิธีพิจารณาท้องพองยุบสังเกตได้ชัดเจนแต่พอนั่งไปเรื่อยๆท้องพองยุบแทนสังเกตไม่ได้แสดงว่าสติหนูไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะหากหนูปฏิบัติผิดรบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีสติมันก็มันก็จะไม่รู้ ถ้้ามีสติรูจะคำถามจากคุณป๋อมเวลาที่ลูกเอาปัญหามาให้เราเราจะรู้สึกทุกข์ใจอยู่สักพักแต่สามารถคิดได้ว่าปัญหาของเขาไม่ใช่ของเราเพียงแค่พูดปลอบใจเขาแต่ไม่สามารถช่วยเขาได้มากกว่านี้ถือว่าเราทำหน้าที่แม่ไม่สมบูรณ์หมเจ้าคะ ก็เราทําอย่างเต็มที่ก็แล้วกันเราช่วยเขาได้อย่างไรก็ช่วยไปส่วนไหนที่ช่วยไม่ได้เราก็ต้องทําใจเลือสอนเขาสอนให้เขาทาใจคําถามจากคุณกระทอกน้อยคําว่าเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วคืออะไรครับและทํำยังไงก็คือจิตที่เป็นกลางจิตที่ว่างจิตที่มีความสุขในตัวเอง หยุเลยไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีความทุกข์ตามมาด้วยช่นสุขทุกข์กที่ได้จากลาบรบ ส, สรรเสิญจากรื้อเสียงกินจิตที่เป็นกลางนี้ก็จะไม่ต้องอไปไปคลึงสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่เหนือความสุขความทุกข์ของของของสิ่งเหล่านี้ได้คำถามจากคุณพิสิทธ มีวิธีเจริญสติอย่างไรในขณะที่ต้องพูดคุยกั บ, บกับบุคคลอื่นครับก็มีมีสติกับการฟังหนระือมีสติกับการฟังกับการพูดเวลาเขาพูดแล้วก็ตั้งใจฟังอย่าไปคิดเรื่องอืง <veer. S 1> ่นบางทีเขาพูดเราไปคิดเรื่องอื่นแล้วฟังไม่รู้เรื่องเพราเดี๋ยวก็มาเถียงกันฟังแล้วเข้าใจผิดตั้งใจฟังเวลาเขาพูดแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วเวลาเราจะพูดก็ต้องตั้งใจพูด ให้รู้ว่าเราต้องอย่าพูดอะไรพูดดีไม่ดีถ้าพูดแล้วไม่ดีอยากพูดดีกว่าถ้าพูดแล้วโกหกก็อยากพูดดีกว่าถ้าพูดคำหยาบก็อยากพูดถ้าพูดเพราะเจ้าก็อยากพูดทงให้มีสติอยู่กับการพูดกับการฟังเวลาเราสนทนากันคำถามจากคุณจันทริข้อที่หนึ่ง ปัญหาของมดแมลงที่อยู่ระหว่างทางเดินจงกรมที่กุฏิค่คะการกวาดมดหรือทําลายใ ย, ยแมงมุมระหว่างทางเดินทางเดินจงกรมเป็นการเรบียดเบียนสัตว์หรือไม่การกวาดอาจทําให้มดบาดเจ็บหรือตายควนแก้ไขอ ย, ย่างไรคะก็อย่าไปกวาดตรงที่มันมีเดี๋ยวเรากวาดตรงช่วงที่มันไม่มีมดแมลงมันจะเดินเป็นทางมันก็เป็นช่วงที่มันช่วงที่มันเดินเราก็อย่าไปเราก็อย่าไปกวาดมัน ไปกว่าช่วงที่มันไม่ได้เดินเวลาเดินจงกรมแล้วก็เดินข้ามมันไปดีจะได้มีสติทุกครั้งเดินมาถึงจุดนี้เราจะได้รู้ว่าเราต้องระวังข้อที่สองเมื่อนั่งสมาธิมีอาการวูบแต่มีสติรตู้รู้อยู่ตลอดจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นการวูบเพราะสมาธิหรืองว่วงหลับนอนถ้ามันวูบของสมาธิมันจะมีความสุขมาก มันจะเป็นเต้นมาสะาาใจถ้ามันวูบแบบง่วงนอนมันก็จะไม่รู้สึกอะไรข้อที่สามการเดินจงกรมท่ารวมสง ม, มือไว้ด้านหน้าจะมีอาการเกรงมืออยากสอบถามว่าถ้าปล่อยมือไว้ด้านข้างแล้วเดินจะเป็นท่าที่เหมาะสมหรือไม่ก็ได้ถ้าอย่าไปอย่าไปควยไว้ข้างหลังก็าวล่ัน การเดินควายข้างหลังนี่มันเหมือนกับเดินแบบเจ้านายเดินเราเดินจงกรงนี่เหมือนกับเราเดินดูช า, า พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องการสแสดงกิริยาอ่อนน้อมเวลาเราเดินดังพยายามผ่านเดินแบบใหม่ๆไม่เคยเพราะเราไม่ค่อยชอบอ่อนน้อมกันเราชอบทําตัวเป็นเจ้านายกันดังใหม่ๆมันจะรู้สึกเกิด อ, อับไม่ จะทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเฉียดเองเหมือนเวลาเรายืนต่อหน้าผู้ใหญ่เราก็ต้องเอามือไว้ข้างหน้าเวลาเราคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เอาอ่าข้างหน้าเวลาเดินเราก็เดินแบบนั้นข้อที่สี่เมื่อมาปลีกวิเวกเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิติดต่อมาหลายชั่วโมงแล้วอยากจะหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านบ้างหรือเปิดเฟซบุ๊ก อ่านหรือฟังธรรมพระอาจารย์ควรทำหรือไม่จะทำให้สมาธิขาดตอนหรือไม่คะเหมือนก็อยู่ที่ขั้นตอนของการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในขั้นเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นถ้าเราต้องการปฏิบัติเข้มข้นเราก็ไม่ต้องการมีอะไรเลยต้องการเอาสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรานี้ออกมาใช้ถ้าเรายังไม่เข้มข้นหรือรายังไม่มีปัญญาพอเราก็อาจจะต้อง อ่านหนังสือฟังเทศไปก่อนสลับกับการปฏิบัติไปแต่ถึงขั้นหนึ่งบางทีเราอยากจะให้มันเข้มข้นจะไม่ต้องการใช้อะไรเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งเลยเราต้องการพึ่งตัวเราเองพึ่งสติพึ่งปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราตอนนั้นก็ไม่ต้องไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ทําอะไรอย่างที่บอกให้ลองนั่งเฉยๆนองสัก6ชั่วโมงดูนั่งแบบไม่ต้องทรมานร่างกายนั่งแบบสบาย เราก็ใช้สติปัญญาสู้กับความอยากที่มันอยากจะลุกอยากจะไปทํานู่ทนทานี่ถ้าเราไปใช่อย่างอื่ น, ม, นมันก็เราเหมือนกับเราไปไปพึ่งสิ่งอื่นภายนอกหรือแม้จะเป็นธรรมะมันก็ยังเป็นธรรมะภายนอกยังไม่เป็นธรรมแท้ธรรมแท้มันต้องเป็นธรรมภายในที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราสามารถใช้ธรรมะนี้ได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราใช้ทำภายนอกเดี๋ยวบางทีหนังสือหายบางทีเครื่องเน่นซีดีเสียมันก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราต้องการปฏิบัติแบบเข้มข้นต้องการที่จะเอาทำจริงมาใช้เราก็ต้องไม่พึ่งทำภายนอกไม่ฟังเทศฟังทางไม่ดูอะไรไม่ดูอัานหนังสือเรื่อยเทรางนั้นก็เป็นช่วงๆอาจจะเป็นช่วงที่เราบางช่วงเราอยากจะ เข็มข้นเราก็ไม่ต้องฟังฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องอ่านหนังสือแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราปฏิบัติแบบสบายๆก็สลับกันพลกันได้ปฏิบัติเดินจงกรงนั่งสมาธิแล้วก็เบื่อก็มาอ่านหนังสือทำนะฟังเทศฟังธรรมอะไรไปสลับกันไปอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าเราเจะกําหนดกรอบของการปฏิบัติของเราว่าเราต้องการปฏิบัติในรูปแบบไหน ในเวลานั้นถ้าในเวลานั้นบอกว่าจะนั่งเฉยๆ6ชั่วโมงไม่ดูไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่กินไม่ดื่มไม่รับประทานเลยนอกจากน้ําเปล่าก็ก็ต้องทําอย่างนั้นไปที่ให้ทําอย่างนี้เพื่อให้ดัดความอยากความอยากก็อย่ า, ไ ป, ยาไปตามใจนั้นตามใจมันแล้วมันไม่หมดมันจะมีมากขึ้นไปถ้าฝืนมันดัดมันนี่มันจะอ่อนลงมันจะเบาลงแล้วมันจะไม่มารบกวนใจเรามาก อาจารย์แล้วตอนที่นั่งหกชั่วโมงนะครก็ให้อยู่กับการเจริญสติดูลมหายใจหรือยังไงล้วแต่เราหรือนั่งเฉยๆก็ได้นะเรามีอะไรก็เอามาใช้มันใช้ขันติก็ได้อยู่เฉยๆสู้กับมึงมึงอยากลุกกูไม่ลุกกับมันเหมือนชักกันเยอะกันหรือถ้าสู้ไม่ไหวก็ใช้สติช่วยก็ได้มันเท่าพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความอยากจะลุกเดียงมันก็เลืมไปมันก็นั่งสบายต่อไปได้ที่มันทรมารย์เพราะมันอยากลุก พอเราไม่อยากลุก่งปั้นมันก็นั่งสบายเลยใช้ปัญญาก็ไนะด้พิจารณาปัญญาว่าเออทําอะไรเดี๋ยวมันก็จบไปก็เดี๋ยวว่าต้องกลับมาตรงนี้หรือไปทำไมไปตรงโน้นเดี๋ยวก็อยากจะกลับมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็หลอกเราอย่างนี้หลอกให้เราไปโน้นแล้วนี่เหมือนลูกปิงปองเก่งไปเก่งมาออมันไม่นิ่งสักทีเราต้องการให้มันนิ่ง พอมันพมันนิ่งแล้วมันจะสุกมันจะสบายถ้าเราปล่อยให้ความอยากเตะไปเตะมามันก็ไม่มีวันนิ่ง้เราต้องอยากให้มันเตะมันเตะเราก็ต้องทำให้บอลไม่ให้มันใจให้เราไม่ไม่กิ้งไปตับกำลังเตะของมันมันก็จะเจ็บหน่อยแต่ถ้าฟังเดี๋ยมันเตะนานมันก็เจ็บเองมันก็หยุดเองเดี๋ยวความอยากหยุดก็นั่งสบายไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยที่มันเดือดร้อนเพราะมันอยาก อยากลุกอยากเดินอยากไปนู่นอยากทำนี่เพราะไม่เคยอยู่เฉยๆเลยมันเคยทําอย่างนี้มาตลอดเวลาต้องการมาฝืนความอยากเหล่านี้ซึ่งเป็นความอยากชนิดอยากๆความอยากที่ยากกว่านี้ยังมีอยู่จะมีเรานั่งแล้วไม่ขยันนี่ก็จะมีอีกขั้นหนึง่งเราต้องเราต้องสร้างพลังใจสู้กับความอยากแค่นี้อยากให้ได้ก่อน ถ้าเราสู้กับแบบอยากได้ต่อไปเรามานั่งสู้กับแบบที่มันยากกว่า น, นี้ก็มันก็จะสู้ได้คำถามทางอินอินบ็อกนะคะจากคุณแมวรัทยาทำบุญแล้วหวังรวยสวยเป็นมหาเศรษฐี แห่ถวายผ้าไตาจีวรจนล้นเคยเห็นกองสูงเท่าภูเขาแบบนี้เป็นบุญหรือกิเลสคะหรือทาทำกันไปเพราะรู้แล้วว่าทำแล้วจะได้อะไรตอบแทนแบบนี้คือกิเลสหนูเข้าใจผิดไหมคะมันก็เป็นกิเลสแต่มันเป็นกิเลสแบบที่มันออไม่ไม่เสียหายมันก็เป็นเป็นกิเลสตรงที่ว่ามันจะไม่ทำให้เราหยุดพ้นจากการเวียนว่าตาเยเกิด แต่มันก็เป็นเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าถ้าเราทําบุญเราก็จะได้อานิสงส์ของบุญแต่เราจะไม่ได้ในภพนี้ชาตินี้ส่วนใหญ่เราจะรับไปในภพหน้าชาติหน้าถ้าเป็นคนทำบุญไม่ทํำบาสนี้ตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับจากสวรรค์ลงมาก็จะมาเกิดร่ํารวยสวยงามอันนี้เป็นอานิสงส์ แต่ถ้าเราชอบแค่นี้เราก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในระดับนี้กลับมาก็จะมาทําบุญตายไปก็ไปสวรรค์กลับมาก็เกิดเป็นคนรวยรวยแล้วมาทำบุญต่อ้ <laughs> มันก็วนอยู่อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสเพราะมันทําให้เรายัางติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันไม่ได้พาให้เราหลุดพ้นการทําบุญเพื่อใ ห, หลุดพ้นทําบุญเพื่อไม่ต้องการมีเงินไม่ต้องการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ พอมีเงินในกระเป๋าแล้วมันมันร้อนเดี๋ยวต้องเอาไปซื้องูดซื้อนี่พอซื้อแล้วก็ติดต้องซื้ออยู่เรื่อยๆพอต้องซื้ออยู่เรื่อยๆก็ต้องไปหาเงินมันก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติทรมาตัดกิเลสนะครับทำบุญนี้เพื่อให้เราเอาเงินที่เราไม่ต้องใช้เงินที่เราจะไปใช้ไปใช้เลี้ยงกิเลสอย่าเ อ, าเอาไปใช้เอาไปเลี้ยงเอาไปฆ่ากิเลสด้วยการเอาไปทาบุญ เวลาเราเงินที่เราจะไปเลี้ยงกิเลสไปทำบุญก็เท่ากับเราฆ่ากิเลสพรเราไม่ให้อาหารมันเดีลยวกิเลสมันก็ตายเองถ้าเราอยากไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนต่อไปมันก็ไม่อยากเที่ยวเองเพราะทุกครั้งอยากจะเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเพราะเอาเงินไปทําบุญทุกครั้งมันก็ต่อไปมันก็ไม่เที่ยวเองไม่เที่ยวมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องหาเงินมาเที่ยวมันก็มีเวลาไป ไปปฏิบัติไปรักษาสิงไปปฏิบัติไปอยู่วัดได้นี่คือเป้าหมายของการทําบุญแบบไ ม, ไม่ใช่เป็นกิเลสทําบุญเพื่อฆ่ากิเลสไม่รอดทาไม่รอที่ไม่หวังอะไรหวังให้เงินนี่มันฝ่ายพ้นจากตัวเรามันจะได้มันม า, มาร่อใจเร า, างั้นเดี๋ยวกิเลสมันจะมาล่อให้นึงไปซื้อขนมซื้อกระเป๋าซื้อนรองเท้าหรื่อยนี่คือนี่ทาบุญแบบฆ่ากิเลส ถ้าทำบุญแบบเลี้ยงกิเลสก็ทำเพื่อจะได้นุ่งได้นี่ให้รวยขึ้นแบบนี้จะได้มีเงินไปเที่ยวไปซื้ออะไรต่างๆอันนี้ก็รทำบุญแบบเลี้ยงกิเลสคำถามทาง youtube live จากคุณเบญจวันาวาไปภาวนาที่พูวัวสังเกตมาสังเกตว่าความกลัวหายไปและจิตใจหนักแน่นขึ้นการภาวนาทําให้ใจเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะได้เนี่ยทำใจให้ที่รักชังกลัวหลงนี่หายไปได้ าภาวนาจิตรวมสงบเป็นอุนเบกขานี้ความรักชังโกหลงมันจะหายไปแต่มันจะหายเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ ม, มันก็ยังมีอยู่แต่มันจะค่อยๆจางไปถ้าอยากจะไม่ให้มันจางไปก็ต้องใช้ปัญญามาประครับประคองไว้เวลาจะรักอะไรก็ปัญญาจะสอนว่าอย่าไปรักมันเป็นทุกข์เวลาจะชังอะไรก็ปัญญาจะมาสอนว่าอย่าไปชงังมันเป็นทุกข์ เวลากลัวก็เหมือนกันอย่าไปกลัวมันเป็นทุกข์เวลาหลงก็เหมือนกันอย่าไปหลงมันเป็นทุกข์ถ้ามีปัญญามันก็จะคุมความรักชังกลัวหลงได้กายก็จะไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามจากคุณใหญ่พ้ะยังไม่อนุญาตอาหารแต่มีโยมนำไปกินบาปไหมคะก็เหมือนขโมยของก็าเลยเขายังไม่ให้ไปกินก่อนนดใช่ไห มันก็ชัดๆอยู่แล้วก่อนเราจะเอาของใครล้วต้องถามเจ้าของก่อนขอได้ไหมขอได้ก็เอาไปได้ก็ยังไม่ให้ไปหยิบไปเก็บก็เหมือนสุนัขเห็นสุนัขนี่เราวางอาหารไม่เผลอมันเห็นตับมันคาไปละหรือแมวบนสารานี่บางทีก็มีแมวชอบมาย่องย่อมองมองมชอบมาตอนที่ญาติโยมฟังเทศฟังธรรมนย ตอนนั้นทุกคนนั่งเฉยๆมั น, มนค่อยๆย่องย่องเข้ า, าแล้วพอมองซ้ายมองขาวาไม่มีการทำงานมัความากไปเลยคำถามจากคุณกิติศักดิ์สิ่งที่ต้องทําคือพยายามพุทโธพุทโธไปโดยไม่ต้องคิดอะไรไม่คาดหวังว่าจะเจออะไรภาวนาไปเรื่อยๆอย่างนี้ทาถูกไหมครับก็ถูกขั้นขั้นที่หนึ่งเวลาที่เราทําอะไรต่างๆางมีพุทโธ ต้องกลับใจไว้แล้วก็ต้องทาขั้นที่สองคือเวลาไม่ทําอะไรก็ให้นั่งหลับตานั่งเฉยๆแล้วก็พูดโธรตอบมันถึงจะสงบเป็นสมาธิได้ถ้ายังทําอะไรอยู่นี่จิตจะไม่เป็นสมาธิจิตเพียงแต่จะมีสติทำให้ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายใจแต่มันจะไม่นิ่งไม่สงบยังไม่มีความสุขที่เป็นความสุขที่มหัศจรรย์ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็พูดโธรต่อไป พอจิตมันตกหลุมเข้าไปในสมาธินี่มันจะรู้สึกเบิกบานแกมสาอัศจรรย์ใจมีความสุขเบา อ, อกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยคำถามจากคุณป๋อมลูกชายของลูกสตาร์ทรถแต่ไม่รู้ว่ามีลูกแมวอยู่ในนั้นทำให้เขาบาดเจ็บเลือดออกและพอจะไปช่วยเขาเขาก็หนีไปซุกไม่ยอมลงมาทาให้เขาไม่สบายใจกลัวบา จะบอกเขาว่าอย่างไรดีคะถ้าเราไม่มีเจตนาไม่มีความนั่งใจจะไปทําร้ายเขาไม่บาส <c oughs> มันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นกรรมของเขาคําถามจากคุณคิดบวกการสร้างพบสร้างชาติเพิ่มแค่เราคิดมีอคติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือพูดไม่ดีกับเรื่องใดก็สามารถสร้างพบสร้างชาติได้ใช่ไหมครับได้พอเราคิดไม่ดีมัน พอมีรักมีชังมีกลัวมีหน่องมีความอยากขึ้นมามันก็สร้างภพสร้างชาติต่อไปคําถามจากคุณยุทธหากเราลาออกจากงานเพื่อปฏิบัติธรรมเต็มเวลาทําให้ครอบครัวไม่มีไรายได้เราจะนําพระเครื่องที่สะสมไว้มาขายเพื่อใช้เลี้ยงชีพจะบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรอกพระเครื่องก็เป็นเหมือนสินค้าชนิดห น, หนึ่งนะ คำถามจากคุณจิระศักดิ์อาการของจิตตั้งมัน่นเบื้องต้นจะเป็นลักษณะจิตตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถูกบังคับเป็นอิสระและยังมีความคิดความปรุงอยู่แต่จิตไม่เกิดอารมณ์ตามความคิดความปรุงที่เกิดขึ้นอาการอย่างนี้จิตเริ่มตั้งมั่นหรือยังครับเริ่มนะหนึ่งตั้งมัน่นจกว่าห น, น, นึ่งจะนิ่งสงบไม่คิดอะไรเลยสักแต่ว่ารู้เฉย คำถามจากคุณปลาณีเวลาไปรักษาศีลไม่ปิดวาจาทําให้จิตฟุ้งใช่ไหมเจ้าคะไม่ได้สมาธิเพราะเราจะคุยกับญาติธรรมใช่ไหมเจ้าคะอย่างนี้ต้องปิดวาจาคือต้องปิดวาจาแล้วก็ปิดใจด้วยปิดความคิดด้วยถึงแม้ปิดกายปิดวาจาใจมันก็ยังคิดได้อยู่จะปิดความคิดก็ต้องใช้สติใช้พุทโธหยุดมันต้องปิดทั้ง3ามทาง ปิดกายวาจาและใจจิตถึงจะสงบได้หมดแล้วค่ะได้หมดแล้วนะเดี๋ยวพักก่อนจะมีหนังสือสีน่ะแล้องกาใจให้หมดไปเอาไปนั่งเอาไปอ่านนะอยากเป็นธรรมเป็นหมอเน่ยมองก่อนที่มันอนทำหนังสือแล้วมันจะเข้าไปในสมอง วันนี้ชาล่าเข้ามาปะไม่มาไม่มาจะยินเสียงไหมลอง YouTube ลองเปิดดูป่ะค่ะได้ยินค่ะได้ยินนี่มันอาจจะเบาต้องต้องใช้หูฟังค่ะแต่ว่า15คนที่ดูอยู่ไปยังไม่ไใหนั่งดออยไม่ใช้หูฟังจะเราต่อจากที่ไหนมาต่อจากตัวรับสัญญาณโดยตรงเลยค่ะไม่ได้ผ่านตัวขยายเสียงก็เลยจะเบา โดนขยายเสียงเสียเราซื้อใหม่ขอมันก็ใช้มาไม่นานนะไม่กี่เดือนนะใช่ทุกวันใช่ทุกวันเจ็ดเดือนแปดเดือนนะตั้งแต่เดือนนี้ถึงไหนเ้าบอกไอสนนี่ต้องเสียค่าค่าค่าถ่ายทอดเลยไม่ต้องเสียไม่เสียไม่เสียค่าเน็ตเฉยเฉยใครว่าของดีฟรีไม่มี ถ่ายทอดสดเป็ทั่วโลกไม่ต้องเสียค่าถ่ายทอดสมันก่อนถ้าจ้างทีวีมาถ่ายทอดสดไม่รู้กี่เมดดืม่อกี่เมื่กี่แสนต้องมีจานดาวเทียมต้องมีอะไรสมัยนี้มีระบบ อ, อินเทอร์เน็ตให้ฟรีหมดเลยมาจากที่ไหนกันฮะเหนอ่เอานทั้งหมดเลยนะราชบ้านบากก มากันกี่คนแม่อยู่เมืองไทยกับพี่ชายอยู่นมองไทยตอนนั้นเราจะมาเ้ื่อนเหมไปทำอะไรที่นั่นเนี่ยงานเนือหาเนี่ยทำงานทำงานบริษัทอะไรกันทำงานบริษัทไปทำงานก่อสร้างค่ะเป็นคนที่งานไปแล้วพอดีกลับมางานหลวงปู่ชาค่ะงานประจำปีวันที่สิบหกใช่ไหมรับผู้กลับมาจาก งานางาต้องชาก็เลยงอละตาเป็นอี้มีงานสองงานวันที่สามสิบกลางงานหลวงตามาหาบวัวหลังตามันเสียหลวงตามันที่สามสิบมกราห้าสี่มันเสียมาจะ ก, ก็หกปีแล้วลูกศิลลูกหาก็ไปทำบุญให้กับท่านอย่างนึกถึงพ่อคุณของท่านก็เดี๋ยวเากลับมารวบกันนะ่ะ แล้วเพื่อมีวัดของอาจารย์ชาลีใช่ค่ะเพรกลูกศิษย์พระอาจารย์กาลยานกลยามีฝรั่งคนอียอรสเตียเขาอยู่ที่นั่นชื่อแมทธิวเคชไหมเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันค่ะแมทธิวเคยพากาหลวงพ่อคัขาเป็นคนพามตอนนี้เขายังอยู่ที่นั่นยังอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะยังอยู่ที่เมร์คั พิ่งกลับไปใช่ได้ค่าว่าเขาพึ่งไปมามาใช่มาอยู่ที่หลายเดือนใช่ค่ะใช่ค่ะไสองจิตส่องใจอยากจะบวชใจนึกวกล้ากล้าขุดตัวไปบวชเน้นอยู่กับอาจารย์ตาค่ะดีเขามาสนใจดีเขาเป็นคนแนะนำให้ฟังในย t u b e หลวงพ่อด้วยเอาเนี่ยถึงสือ c ีดีหยิบไปได้นะขอบคุณขอบคุณค่ะมีอะไรอยากจะถามปะ ไม่มีก็ให้ทำมาก็ถ่อไม่มีก็ฟังไปฟังคำถามของคนอื่นไปตามสบายนะมาแล้วยังคำถามว่าตอบคำถามจากคุณแมงจิตกับใจคือตัวเดียวกันหรือเปล่าเจ้าคะตัวเดียวกันแต่มีสองหน้า หน้าจิตกับหน้าจใจจิตทู่คิดใจผู้รู้ทำหน้าในสองหน้าที่มีความรู้กับความคิดความคิดก็มีแบ่งไปเป็นความคิดความจําความรู้สึกความรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นหน้าที่ของจิตส่วนใจนี่เป็นผู้รู้เฉยๆจากเทวโรโอเคจัสไค ถ้าจารย์มีใครเป็นพี่เลี้ยงไหมคะหมายถึงใครมีก็ที่นี่มีคนต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเขาเป็นพี่เลี้ยงไม่รู้ว่าทำถูกหรือทำไม่ถูกมาชนมนิดนึงนะคะจะได้กลับบ้านไปแล้วก็ทำถูกเพราะเขานั่งทุกวันที่บ้านค่ะอ๋อโยมเป็นคนพามาเลยใช่ค่ะอ๋อเป็นแฟนกันนะใช่ค่ะอ๋อมีมีมีชาวต่างประเทศมีอะไรก็กลัวว่านั่งหลักตาอย่างเดียวจะไม่ได้อะไรค่ะ อ๋อไม่เป็นไรนะก็นั่งม่อลว่าก็ใช้ได้ขรู้จัก่าอลว่าค่ะเออไม่เป็นไรลนาะเดี๋ยวข้อคุยกันก็ <c oughs> พรพะอาจารย์ช่วยหน่อยนะคะเดี๋ยวมีมีหนังสือท ร, รมาภาษาอังกฤษให้ก็ <c oughs> เล่นเล่นนี้ดีมากเลยคะ่ะมีเป็นเอ่อ <c oughs> สีเขียวเล็กๆอะคะอ่ะมีเป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมคะอ๋อยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวต่อไปคงจะมีคนแปลเพราะอ่านง่ายแล้วก็ถ้าจะเข้าใจได้บ้างนะคะ เดี๋ยวมีหนังสือของเราอยู่เดียวให้ก็แทนก็ได้ไม่ต้องกังวลอ่นะมีมีคนแนะนําเยอะอยู่ที่ว่าเขาอยากจะรับคําแนะนําหรือเปล่าที่เราจะไม่บังคับกันถ้าไม่ถามก็ไม่บอกพอสนใจเขาก็ถามเองถ้าไม่ถามก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามผนังก็อย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยชอบสูงเสียงกั น, กนไม่อะไรกัน ไม่ต้องกังวลนะท่าอยู่ข้างล่างเลยใช่ค่ะได้มาอยู่สองวันนะใช่ค่ะพอดีต้องกลับเลยไม่มีเวลาค่ะอยากจะให้อยู่ต่อแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะอยู่ได้ไหมไม่แน่นะเราะติดใจบางทีก็อยู่หวังว่านะคะาเยอมากเลยค่ะพวกที่มาจากะเปนพกันได้พราะว่าเขาจะกลับที่ลังอีกอทิตนึ่งนะคะพวกที่มาอยู่มายากสเปนาการจะไมาอยู่สามวันตอนนี้ก็ขอต่อเป็นเจ็ดวันอยู่ไปแล้วก็ชอบ Okay. Maybe you would like to stay longer. Maybe you know. Maybe you know. d o n be humble, the thing is. Come on. Come talk. Come talk. Come talk. Come talk. Zakun Suparat. ไปช่วยงานที่วัดทำกับข้าวพอเที่ยงและเย็นก็เอาของในครัวทํำกันแบ่งกันกินบาปไหมคะถ้าวัดชออนุ ญ, ญาตก็ไม่บาปนะคำถามจากคุณขวัญถ้ามีเวลาขับขันเกิดขึ้นแล้วมีเสียงมาบอกเรามันคืออะไรคะวันก่อนลถเสียหากุญแจไม่เจอมีเสียงมาบอกว่ากุญแจอยู่ที่ไหนปรากฏว่าอยู่ตามที่เสียงบอกจริงๆคะ่ะ ก็หรือว่าเป็นเสียงก็แล้วกันถ้ามันบอกว่ามันถูกก็ <S <S <ๆ>ก็เชื่อได้แต่ก็ต้องลองทดลองอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวคราวหน้าบอกอยู่ตรงนู้นเราไปหาก็าจจะไม่เจอก็ได้ของพวกนี้เรายังต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆว่ามันแม่นไม่แม่นบางคนเห็นเลขแทงที่แล้ก็ถูกทุกทีนี่แสดงว่าแม่นแต่บางทีแทงก็ถูกบ้างผิดบ้างนี้บ้ไม่แม่ น, ม น, มนของพวกนี้มันเป็นความรู้ภายในยที่อาจจะ เกิดจากบุญบารมีเก่าที่ได้สร้างไว้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนบางคนนั่งแล้วก็ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรบางคนนั่งแล้วก็เห็นอดีตเห็นอนาคตก็ต้องใช้ปัญญาอย่าไปคว้ามาทั้งดุน้นต้องใช้ปัญญาพิสูจน์ไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงได้หลงแล้วมันแก้ยากต้องระมัดระวังหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลยค่ะ ไม่มีแล้วเหรอแม่มีนะมีอะไรมั้ยไม่มี yeah. You have anything you want to know? Uh, not now <laughs> <c oughs> แต่เดี๋ยไม่เคยไม่เคยปฏิบัติเท่าไหร่เลนะ ป, ปฏิบัติทุกวันค่ะนั่งสิบสิบนาทีแต่คิดว่ายังมีอารมณ์โมโหโกดธง่ายเหมือน <c oughs> <15 S 2> ันสิบหนาทียังไม่พอหรอ ต้องนั่งเป็นชั่วโมงวันละเรก็ไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกเขาว่านั่งหลับตาที่เฉยว่าดูอะไระก็เลยคิดว่าอยากให้มันไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งมันต้องเวลาไม่นั่งก็ต้องควบ ค, คุมใจด้วยตอนน้องให้เขามีอะไรคุมคุมอาลงท์เขาเขาเครียดด้วยค่ะ ง, งานเขาต้องมีเขาเป็นหมออค่ะมีมาให้<ม> อ, อคนป่วยมาทุกวันวันละสิบห้านาทีที่เสียที say, say Have Uh, emotional issues. She said many things. She want me to help you, but since you don't ask me to help, so I don't know how to help you. Uh, so you're not, you don't need help. I think. Ask her about. She want to stay longer. That's right. <laughs> <laughs> พอเหรอนั่งอยู่อยู่ถ้าหนูอยากจะให้เ้าอยู่ยาวหนูก็ต้องอยู่ยาวเลยหนูทราบค่ะแต่เขารู้ว่าหนูต้องกลับบ้านก่อนอแล้วเมื่อเราทำไม่ได้เราจะไปให้เขาทำได้ใช่ไหมแม่ปูสอนลูกปูสอนให้เดินตรงๆแล้วแม่ก็เดินเฉยค่ะมีตั๋วเครื่องบินแล้วงั้นก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่ไง เราต้องทกตัวเป็นตัวอย่างก่อนจิ้งเขาดูเลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วการมาปฏิบัติธรรมได้ด้วยตัวเองไงคะมันจําเป็นที่ต้องเข้าพร้อมกันหรือออกพร้อมกันใช่แต่แต่ตอนนี้เขายังไม่ต้องการอย่างนั้นเลยใช่คก็ดถึงเวลาถ้าเขาต้องการเขาไม่สนใจเราแล้วะนี้ไม่ดีก็ทิ้งเราเลยทำใจได้แต่เดี๋ยวก็เขาปฏิบัติไปแล้วได้ธรรมะขึ้นมาเขาเลิกกับราเนี่ยดีค่ะก็ ถ้อาจารย์เพิ่งพูดเมื่อกี้รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมคะจำไหมนะ <c oughs> <c oughs> อยากให้เขาเข้าใจที่พระอาจารย์พูดทุกคำเลยค่ะอยู่ในหนังสือถ้าเขาอ่านเขาก็จะเข้าใจอันนี้ย่าเยี่ยนเขาไม่ได้นะเขาต้องเขาต้องต้องศึกษาสิงที่พระอาจารย์พูดหรือในหนังสือดีทุกเรื่องเลยค่ะแต่ว่านี่เราไม่มีหนังสือแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษอมีแะ้วเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมากค่ะอะมีไหมคํณตาขอเอาไทยตะเคียนนี่อาวัม คำถามจากคุณอิทธิตายก่อนตายทำอย่างไรครับก็สมมติว่าตอนนี้เราตายแล้วไงคนตายก็ทำยังไงเราก็ทำแบบคนตายคนตายเขาโกรธคนตายเขาโลภไหมเราก็หัดทำตายแบบนั้นคนตายเขาร้องไห้ไหมคนตายเขาเสียใจัหยเขามีอะไรเป็นของเขามั้ยเปล่าต้องทำทำตัวเราเหมือนคนตายเราไม่มีอะไรแล้วถ้าเราเป็นคนตายเราก็อยู่แบบคนตายไป าาถ้าตายถ้าาตเป็นนัศบายจะไม่ทุกข์กับอะไรโอเคนะมันจะเป็นตะคิวยืดด อ, อกแปเหมดหรือยัง <21 S 1> อีกหนึ่งค่ะเอาอีกหนึ่งคำถามจากคุณหนูถ้าเราให้หนังสือธรรมะแก่ผู้อื่นแสดงว่าเราให้ธรรมทานหรือให้ทานครับก็ธรรมทานก็ให้ทานเป็นแต่ว่าแทนที่เราจะให้เงินทองเราก็ให้ธรรมะก็เป็นธรรมทาน ถ้าให้เงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าให้วิชาความรู้ก็เป็นวิวทยาทานถ้าให้อภัยก็ให้อภัยทานหมดแล้วนะ ก, ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทาั